อาจารย์เลิศพรท่านผูมหลวงพ่อเพิ่งรู้นะว่าเด็กอนุบากลกรุงเทพเนี่ยตัวมันใหญ่ขนาด น, นี้ที่แรกคุณปียมงคลเอะนะชื่อเอะไปนิมนต์หลวงพ่อบอประเทศที่โรงเรียนอนุบาลหลวงพ่อก็ยังงงๆนะว่าจะให้เราเทศให้เด็กอนุบาลฟัง ถ้าเด็กเล็กๆนกก็ฟังธรรมะไม่เข้าใจะธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเด็กเล็กๆนกก็ยังฟังยากถ้าสักเจ็ดขวบ8ปดขวบอะไรขึ้นไปนี่ก็พอได้อย่างเด็กที่ไปเรียนที่วัดหลวงพ่อก้าวขวบโอ้มันถามธรรมะน่าฟังนะถามจนผู้ใหญ่กลัวเลย วันนี้หลวงพ่อเลยไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรนะเพราะเทศมาตั้งแต่เช้าแล้วได้ยินเสียงรู้สึกจะเทศไปหมดทุกเรื่องแล้วนะพวกเราชาวพุทธนะเราต้องเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆถ้าเราไม่เชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆศา ส, สนาพุทธก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนศาสนาอื่นๆน ะ, นะอย่างศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ย เขาต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้ามีจริงๆนี่ถ้าเราชาวพุทธไม่ไม่คิดว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆรศาสนาพุทธก็จะไม่ต่างกับปรัชญาจุดสำคัญของชาวพุทธนะเราไม่ได้เชื่อลอยๆเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนลอยๆว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆท่านบอกวิธีที่เราจะปฏิบัติจนเราสามารถเข้าไปประจักษ์ถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยตัวเราเอง นิพพานเป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงถ้าเราเข้าไปพบไปเห็นนิพพานแล้วเราจะรู้เลยว่าที่ฝากเป็นฝากตายในชีวิตเรามีจริงๆธรรมะของแท้ของจริงมีจริงๆริพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะของจริงนี้ก็ต้องมีจริงๆนั่นแหละพระสงฆ์ก็มีจริงเพราะว่าใจของผู้ที่เข้าไปเห็นนิพพานนั้นเป็นใจของพระสงฆ์ซะแล้วร่างกายเราอาจจะเป็นคารวะนะแต่ใจเราเป็นพระได้ในทํานองเดียวกัน ถ้าเราแต่งชุดพระอย่างนี้ชุดอย่างนี้เรียกว่าเป็นชุดที่ของสมมุติสงฆ์ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะก็จะเป็นพระสงฆ์ตัวจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกวพิธีที่เราจะปฏิบัติพัฒนาจิตใ จ, จตนเองจนเราเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์แต่เมื่อเรารู้แจ้งในพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าถ่ายทอดไว้ให้ฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้เชื่อแบบเลื่อนลอย ความเชื่อของชาวพุทธเป็นการเชื่อแบบท้าให้พิสูจน์ชวนให้พิสูจน์หลวงพ่อขอบอกว่ามรรคผลนิพพานมีจริงๆหลวงพ่อบอกวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วหลวงพ่อขอท้าว่าจะมาลองไหมละ่ะถ้าคนไหนคิดจะฟังเล่นๆนะก็ยากหน่อยนะใจมันจะฝ่อใจมันไม่ใจมันไม่ถึงจริงที่จะเรียน แต่คนไหนกล้ารับคำถามนะกล้ารับคํำถามที่จะมาลองพิสูจน์ดูเราก็จะบอกวิธีให้แต่คนไหนยินทรียยังอ่อนนะก็ฟังเล่นๆไปก่อนก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะไม่เก็บสตังค์แต่คนไหนต้องการที่จะรู้จักมรรคนิพพานจริงๆนะ ก, ก็ตั้งใจฟังการที่คนเราจะรู้จักมรรคนิพพานได้นะเราจะต้องรู้จักสิ่งสองสิ่งก่อน เรียกว่าลักษณะสองอย่างลักษณะอย่างแรกเรียกว่าวิเศษลักษณะลักษณะอย่างที่สองชื่อว่าสามัญลักษณะวิเศษลักษณะเนี่ยคือลักษณะเฉพาะของสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างวิเศษะหมายถึงพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะตัวของสภาวธรรมแต่ละอย่างเช่นความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะของความโกรธ ซึ่งไม่เหมือนกับความโลภไม่เหมือนกับความหลงไม่เหมือนกับความสุขไม่เหมือนกับความทุกข์ความโลภก็มีลักษณะเฉพาะของความโลภความหลงก็มีลักษณะเฉพาะของความหลงเนี่สภาวะธรรมแต่ละอย่างก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองรูปก็มีลักษณะเฉพาะของรูปอย่างร่างกายเราเนี่ยมันก็มีลักษณะเฉพาะของมันนามาทำอย่างจิตใจก็มีลักษณะเฉพาะของจิตใจ อย่างลักษณะเฉพาะของจิตเนี่ยคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์ลักษณะเฉพาะของโทสะเนี่ยธรรมชาติที่มันไม่ชอบนะปฏิเสธสภาวะทั้งหลายนะลักษณะของโลภะนั่นคือมันชอบมันปลูกพันมันรักใคร่ในสภาวะทั้งหลายเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันนะมันจะมีสภาวะเฉพาะตัวมีลักษณะเฉพาะตัวโมหะก็มีลักษณะเฉพาะของโมหะคือความหลง การที่ไม่สามารถรู้สภาวะทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าโมหะงั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งยังไม่เคยเรียนเรื่องสภาวะเนี่ยถึงยังไงก็มีโมหะเพราะเราไม่สามารถรู้สภาวะตามความเป็นจริงได้ทํำยังไงเราจะหัดรู้สภาวะตามความเป็นจริงก็ต้องมีสติสติจะเป็นตัวรู้สภาวะวิเศษลักษณะคือลักษณะเฉพาะของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวหัดดูไปนะหัดดูไป หัดดูสภาวะแต่ละตัวไปเรื่อยๆเช่นใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ามันโกรธดูไปที่ความโกรธนะเราเห็นว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธหรอกความโลภเกิดขึ้นเราก็เห็นความโลภมันเกิดใจมันลอยไปรู้ว่าใจลอยใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่าใจมันฟุ้งซ่านใจมันหดหู่รู้ว่ามันหดหู่ใจมันลังเลสงสัยรู้ว่ามันเลงเลสงสัยจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายเรายืนอยู่ก็รู้ เดินน er <Okay. S 1> ั่งนอนก็รู้นะคอยรู้สึกนี่เรียกว่าหัดรู้สภาวะร่างกายมีความสุขก็รู้ร่างกายมีความทุกข์ก็รู้ร่างกายเฉยๆก็รู้หัดรู้สึกไปจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็หัดรู้ไปการที่เราหัดดูสภาวะเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะจำสภาวะแต่ละตัวได้แม่นเพราะเราจาลักษณะเฉพาะของมันได้เช่นความใจลอยเกิดขึ้นเนี่ย จิตมันจำได้แล้วความใจลอยไม่เหมือนกับความโลภไม่เหมือนกับความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้จักสติมรารลึกได้วความโกรธเกิดแล้วเพราะความโกรธไม่เหมือนกับความโลภไม่เหมือนกับความหลงเรียกว่าเรารู้จักลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพอเรารู้จักลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะแต่ละอย่างแล้วเนี่ยเมื่อสภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเอง นี่คือเรื่องของวิเศษลักษณ ะ, ะลักษณะพิเศษฟังภาษาบาลีแล้วฟังน่ากลัวนะวิเศษลักษณะแบบพูดภาษาไทยคำว่าวิเศษสคนไทยใช้คำว่าพิเศษพิเศษคือเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพะฉั้นเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆถ้าหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆนะพอสภาวะใดเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองนี่เรียกว่า เข้าใจลักษณะตัวที่หนึ่งล้ลักษณะเฉพาะต่อไปเราจะเรียนอีกตัวหนึ่งชื่อสามัญลักษณะสามัญลักษณะหมายถึงเป็นลักษณะทั่วๆไปลักษณะร่วมของสภาวาธรรมทุกๆตัวของสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทุกๆตัวลักษณะที่เรียกว่าสามัญญลักษณะเนี่ยคนไทยเราจะได้ยินคําว่าอานิจจังทุกขังอนัตตา อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะอย่างร่างกายเหล่านี้ไม่เที่ยงนะตอนเด็กๆ ก, ก็หน้าตาอย่างหนึง่งโตขึ้นมาหน้าตาอย่างหนึง่งแก่ๆหน้าตายอย่างหนึง่งตายแล้วก็หน้าตาไปอีกแบบห น, นะนึ่งเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้นานหรอกแล้วมันบังคับไม่ได้มันอยู่นอกเหนือกา ร, บ, ารบังคับอย่างเราจะสั่งหน้าเรานะ ให้หน้าเราสวยๆเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ให้หลอๆเหมือนคนนั้นคนนี้มันสั่งไม่ได้นะเราบังคับมันไม่ได้จิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีสามัญยลักษณะคือมันไม่เที่ยงเหมือนกันสังเกตดูใจของเรานะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขนะนี่เรารู้จักกษณะเฉพาะแล้วเราก็เห็นว่าเออความสุขเกิดขึ้นพอความสุขเกิดขึ้นความสุขก็จะแสดงสามัญยลักษณะลักษณะร่วมให้ดู ว่าความสุขเองก็ไม่เที่ยงนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความเฉยๆก็ไม่เที่ยงนะกูศลก็ไม่เที่ยงโลภกรดลงก็ไม่เที่ยงมีขึ้นมาแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็กลับมีขึ้นมาได้อีกนี่เรียกว่าไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงหมายถึงของซึ่งมันเคยมีอยู่แล้วมันไม่มีของซึ่งมันไม่มีอยู่นั้นมันเกิดมีขึ้นมานเรียกว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะมันถูกบีบคั้น สภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะไม่ได้มีใครบันดาลให้อุบัติขึ้นมาสภาวะทั้งหลายมีเหตุถึงจะเกิดนะแต่ว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวสภาวะนะั้นมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้นานหรอกยกตัวอย่างอย่างความโกรธความโกรธก็มีเหตุให้เกิดนะอันแรกเลยเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนะถ้าเรากระทบแต่อารมณ์ที่ดีแนละความโกรธมันก็ไม่เกิด นะพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วใจของเราเคยมีพื้นฐานมีนิสัยขี้โกรธอยู่มันก็โกรธขึ้นมาง่ายนะความโกรธมีเหตุความโกรธถึงจะเกิดอย่างการกระทบอารมณ์ไม่ดีเราเห็นหน้าคนคนหนึ่งเนี่ยนะเราห้ามไม่ได้เลยที่ใจจะโกรธเพราะเราเกลียดคนนี้อยู่ก่อนแล้วใช่ไหมมีพื้นฐานที่จะมีโทสะอยู่แล้วพอเห็นหน้ามันก็โกรธความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาต่มาไอาคนนี้มันหายไปใช่ไหมความโกรธมันทนอยู่ไม่ได้หรอกเราไปเห็นหน้าคนที่เรารักเข้า เหตุที่ทำให้ความโกรธเกิดขึ้นมันดับความโกรธมันก็ดับไปด้วยแม้ตัวความโกรธเองทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความโกรธก็เป็นอนัตตานะสภาวะธรรมทั้งหลายทางใจของเรานี่ก็เป็นอนัตตาหมายถึงเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุเราสั่งไม่ได้สั่งจิตห้ามโกรธห้ามไม่ได้ห้ามโลภก็ห้ามไม่ได้ห้ามใจลอยก็ห้ามไม่ได้ จิตจะมีความสุขก็สั่งให้สุขไม่ได้นะสั่งมีความสุขแล้วอยู่นานๆสั่งให้อยู่นานๆก็อยู่ไม่ได้มีความทุกข์แล้วจะไล่มันก็ไม่ไปนั้นเราสังเกตให้ดีเถอะสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะทั้งที่เป็นทางรูปธรรม ท, ทั้งที่เป็นนามธรรมล้วนแต่ตกอยู่ใต้สามัญลักษณะคือล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นมีปัศนากรรมฐานนะฟังชื่อแล้วน่ากลัว ความจริงวิปัสสนากรรมฐานเนะี่ยคือการที่เราสามารถเห็นสามัญยลักษณะลักษณะร่วมของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเพราะฉนั้นะวิปัสสนาไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจเฉยๆนะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจสามัญยลักษณะนั้นชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แปลว่าลักษณะสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นเองบางทีเรียกว่าสามัญยลักษณะหมายถึงลักษณะสามัญลักษณะทั่วๆั่วไปนะ ถ้าเราสามารถเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้บ่อยๆต่อไปจิตมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้นะมันจะวางเพราะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ว่าเราจะรักจะหวงแหนจะทนุถนอมยังไงมันมีความทุกข์บิบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนั่งอยู่ก็เมื่อยเใช่ไหมยืนอยู่ก็เมื่อยเดินอยู่ก็เมื่อยนะ เนี่ยหนาวไปก็เป็นทุกข์รู้สึกไหมเดี๋ยวร้อนก็เป็นทุกข์อีกล้หิวก็เป็นทุกข์นะกระหายก็เป็นทุกขนะ์อิ่มเกินไปก็เป็นทุกขนะ์เนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยพอเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะใจมันจะคลายความยึดถือในร่างกายลงไปจิตใจนี้เหมือนกันถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไปจิตมันจะคลายความยึดถือจิตออกไปถ้าคลายออกไปได้นะก็จะเป็นพระอรหรันต์ เราจะรู้จักนิพพานแนละนิพพานจะแจ้งอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่ก่อนจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยได้ธรรมะขั้นต้นก่อนนะมีสี่ขั้นนะก่อนจะถึงการเป็นพระอรหันต์จิตจะต้องตัดกิเลสนะอย่างเป็นสมุดเฉดเลยตัดอย่างถึงรากถึงโคนเลยเนี่ยรวมทั้งหมดสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยท่านมีสีบริบูรณ์ มีสมาธิเล็กน้อยคือใจไม่ค่อยตั้งมัน่นอกใจก็เหมือนปุถุชนนี่แหละแกว่งไปแกว่งมานะแต่ว่าถือว่าดีกว่าปุถุชนนิดหน่อยเลยเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยส่วนปุถุชนทั้งหลายนี่ไม่ค่อยมีสมาธิหรอกสมาธิไม่ค่อยมีมีแต่มิจฉาสมาธนะิมีแต่เพ่งๆ เ, เวลาปฏิบัติเราก็ไปเพ่งดูท้องพองยุบไปเพ่งท้องเดินจงกรมไปเพ่งเท้ารู้ลมหายใจไปเพ่งลมอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่เรียกว่าสาัมมาสมาธนะิสมาธิที่เพ่งใส่ตัวอารมณ์ ยังเป็นมิจชาสมาธิอยู่ตัวสัมมาสมาธิคือตัวที่ใจตั้งมั่นเนี่ยพระโสดาบันใจก็ไม่ตั้งมั่นนะตั้ง น, นิดนิดหน่อยหน่อยแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดเวลาพวกเราสังเกตไหมใจของเราแฉลบไปแฉลบมานะพวกที่เรียนมานานๆแล้วเห็นแล้วนะองพ่อถามเนี่ยถามคนที่ไม่เคยมาเรียนไม่ใช่ถามพวกคุณสุมเมศคุณมาลีคุณอุสาอะไรพวกนี้นะ สังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บจิตไปทํางานปั๊บเลยแอบไปคิดนะไหลไหลปุ๊บปุ๊ปไปดูออกไหมมันเคลื่อนไปทันทีเลยนะจะหนีไปคิดเรื่องโ น, น้นหนีไปคิดเรื่องนี้เ น, นี่ยเรียกว่าใจมันไม่ตั้งมั่ น, นพระโสดาบันก็ใจอย่างนี้แหละแกว่งไปแกว่งมาน ะ, น, ะนะพระโสดาบันยังมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีไม่มีตัวตน พวกเรายัางไม่มีปัญญากระทั่งเล็กน้อยนะเรียกว่าปัญญาอ่อนๆปัญญาอ่อนปัญญานิ่มๆ น, นะเพราะปัญญาเล็กน้อยนี้เรายัางไม่มีคือเรารู้สึกว่ามีตัวเราอยู่คนหนึง่งรู้สึกไม้มในกายเนี้ยในร่างกายเนี้ยมีตัวเราอยู่คนหนึง่งรู้สึกไหมถ้าเมื่อไรเป็นพระสโสดาบันนะดูลงไปมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราแม้แต่นิดเดียวเลยไม่มีกระทั่งเงานะเงาของความเป็นตัวตนก็ไม่มีนะ งั้นเราลองรู้สึกสิในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมเนะนี่ยถ้าเราเจริญสติไปเรื่อยนะเราคอยรู้นะความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดก็รู้นะความโกรธเกิดก็รู้อะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้รู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆเราจะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเพราะความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาเฉย พอความโลภมาเราก็มีสติรู้ทันนะเราก็เห็นอีกความโลภก็เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาไม่มีตัวเราอยู่ในความโลภความสุขเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีตัวเราอยู่ในความสุขความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแลถึงวันหนึ่งเนี่ยจิตมันตัดสินความรู้เลยตัดสินเปรี่ยงเลยนะมันจะรู้เลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีหรอกความเป็นตัวเรานั้นเกิดจากความคิดทั้งนั้นเลย นี่พอมันมีตัวเรามีของเราขึ้นมาความทุกข์มันจะมีที่ตั้งได้เพราะความทุกข์มันจะตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็ตั้งอยู่ที่ตัวเรานี่แหละความทุกข์มันไม่ตั้งอยู่บนถนนใช่ไห้เนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะบนเก้าอี้นี่ความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรานี่เองถ้าปัญญาแจ้งนะว่าตัวเราไม่มีเนี่ยความทุกข์มันหาที่ตั้งยากแล้วเนี่ย <satisfy> ถ้าโสดาบันจะรู้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปรู้กายรู้ใจของเราทุกวันทุกวันนะรู้ให้มากๆ รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ให้คลาดสายตาบางคนคิดว่าจะต้องรู้ตลอดเวลาถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานอันนั้นเข้าใจผิดมันเป็นไปไม่ได้ที่ปุถุชนจะมีสติตลอดเวลาพระอนาคามียังไม่ได้มีสติตลอดเวลาเลยนะเพราะเรามีสติบ้างเราเผลอบ้างมีสติบ้างเราเผลอบ้างแล้วก็ตามรู้สึกไปเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกใช่ไหมรู้สึกได้แวบเดียวเดี๋ยวก็เผล อ, ออีกนะเราไม่ได้ฝึกที่จะไม่ให้เผลอ แต่พอจิตเผลอไปแล้วก si so so ็ร mm hmm. um, um, ู้นะจิตเผลอแล้วก็รู้จิตมันจะสลับกันตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตที่เผลอเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่เผลอเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้นี่ฝึกอย่างนี้ก็ได้นะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งเลยจิตที่เผลอนะเราห้ามมันไม่ได้เราจะห้ามใจไม่ให้หลงไปคิดน่นไม่ได้ไหมจิตที่รู้สึกตัวเราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะมันเกิดแล้วมันมีเหตุมันก็เกิดนะไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดสั่งยังไงมันก็ไม่เกิด เนี่ยเราจะเริ่มเห็นความจริงนะว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในใกายในใจนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนอะไรที่แท้จริงที่ถาวรเ น, นี่ยเห็นซ้ําๆๆนะถึงว่าหนึ่งจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะรวมเองเลยแล้วเข้าไปตัดสินความรู้ในสมาธิเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้บรรลุด้วยจิตปกติของมนุษย์อย่างนี้จิตของพวกเราในขณะนี้เรียกว่ากามาวจรจิต เป็นจิตที่จรไปในกามกามก็คือรูปเสียงกลิน่นรสผลิภัณฑ์ทั้งหลายเห็นไหมจิตของเราเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะเดี๋ยววิ่งไปดมกลิน่นเดี๋ยววิ่งไปริมรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสนะจิตของเราวิ่งไปวิ่งมาตลอดนะในขณะที่จะเกิดอริยมรรคขึ้นนะจิตจะรวมเข้าปนาสมาธิมันจะรวมลงมาที่จิตมันจะไม่จรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วแต่จะรวมเข้ามาที่ใจเดียวนะแล้วมาตัดสินความรู้กันที่ใจนี่เอง เวลาที่กระบวนการนั้นเกิดนั้นเกิดแล้วเกิดเลยตัดแล้วตัดเลยไม่มีทวนขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราภาวนานะเราเกิดอาการแปลกๆเกิดวุบวุบบา้บา บ, าบา้ขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้ไหมเราก็บอกบรรลุไม่บรรลุนะค่อยๆสังเกตแต่บรรลุจริงๆต้องล้างกิเลสได้กิเลสตัวสําคัญที่พระโสดาบันล้างไปได้นะชื่อสักยัติทิฏิสักยัตทิฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวเรา นะเพราะฉะนั้นตราบใดถ้าเราภาวนาเราเรารู้สึกเราเป็นพระโสดาบันแล้วเราสังเกตใจเรายังมีความรู้สึกมีตัวมี ต, มตนอยู่แล้วก็เป็นโสดาบันปลอมนะเดี๋ยวนี้มีาการสอนกันมากนะะกำหนดไปเรื่อยๆวุบวุบๆเพื่อมาก็ได้ยานนู้นอย่านนี้นะเป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้เอาเข้าจริงแล้วจะล้างกิเลสไม่ได้ได้แต่ข่มกิเลสไปชั่วคราวเพราะว่าเพ่งไปเรื่อยๆกําหนดไปเรื่อยๆมันเป็นสมกถกรรมฐานวันนี้เฉลอยจะมีคนเก่งๆมาเรียนเยอะ ธรรมะยากชะมันเลยใครรู้สึกยากเกินไปไหมมีไหมยากเกินไปเออกล้าหาหน่อยชูมือให้ดูหน่อยยากเกินไปนะต้องไปฟังหลายๆรอบแล้วจะง่ายนะหาซีดีไปฟังนะแล้วจะพบว่าง่ายที่สุดเลยเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งท่านมาท่านอาจารย์กฤิที่ท่านเป็นอ่านธรรมะอยู่วัดสังฆทานอานะจารย์กฤิท่านก็มาเรียนกับหลวงพ่อนานละ เมื่อวานมานะใสปิ้งมาเลยจิตนี้ตื่นตเต็มที่มาเลยนะแล้วท่านก็มาสรารภาพกับหลวงพ่อว่ามันง่ายจริงๆนะท่านอาจารย์ง่ายอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะนะไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทาอะไรนะวันก่อนโน้นวันพุธก่อนไปเทศที่โรงเรียนของอาจารย์ซุปอานะจารย์สุปเคนะทาไมต้องมีเคก็รู้นะอาจารย์ซุปเคก็ตื่นขึ้นมาใจก็ตื่น แกก็บอกหลวงพ่อมันง่ายนะหลวงพ่อยอมเชื่อแล้วว่าง่ายที่พวกเรารู้สึกยากนะเพราะเราจับหลักไม่เป็นเราคิดแต่ว่าทำยังไงจะทำได้ทำยังไงเราคิดแต่ว่าจะทำถ้าเรายอมเลิกทำนะแล้วเรามารู้กายอย่างที่มันเป็นรู้ใจอย่างที่มันเป็นทำตัวเป็นแค่คนดูนะใจมันจะตื่นขึ้นเองแล้วจะพบว่าง่ายที่สุดเลย เพราฉ้นคนที่เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะมักจะอุทธรณ์อกแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่าเหมือนเปิดของควบให้หายไงายนี่ของควบเปิดให้หายงายขึ้นมาเห็นไหมไม่ยากอะไรเนี่ยเปิดขึ้นมามันจะยากอะไรนะไม่มีใครอุทธรณสักคนนะสับสนจังเลยพระเจ้าค่านะที่พระองค์เทศมานะสับสนเหลือเกินพระเจ้าค่านะยังไม่เคยปรากฏเลยนะออื งั้นธรรมะแท้ๆเป็นของง่ายนะที่มันยากเพราะเราคิดนึกปรุงแต่งไม่เลิกเลิกดิ้นหล่นเลิกค้นคว้าซะแล้วคอยรู้สึกตัวไว้นะขั้นต้นคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยไม่ใจลอยไปรู้จักใจลอยไหมใจลอยลอยลอยลอยไปเด็กเดี๋ยวนี้บางคนไม่รู้จักคําว่าใจลอยนะขเขาเรียกเหม่อเหม่อนะรู้จักเหม่อใจลอยไปเหม่อไปมันก็คือลืมกายลืมใจนะ เนี่ยอันที่หนึ่งนะศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยคือใจลอยหรือเหม่อเหม่อไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทำวิปัสนาได้เพราะวิปัสนานะต้องเห็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจนี่แค่กายแค่ใจยังไม่เห็นเลยอย่าไปพูดถึงว่าจะเห็นไตร ล, ลักษณ์เลยถ้าเหม่อเมื่อไหร่เนี่ยนะไม่เห็นกายเห็นใจนะยิ่งไม่มีทางเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจได้เลย ศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้ปฏิบัตินะก็คือความใจลอยไปความเม่อเมอความหลงหลงเพลินเพลินหนีวิคิดคิดไปทั้งวันลืมกายลืมใจนะศัตรูหมายเลขสองคือการเพ่งกายเพ่งใจนะพวกเราต้องระวังนะพวกนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะคือนักเพ่งนะเพ่งลูกเดียวเลยไม่ได้ทําอย่างอื่นหรอกเวลาอยากจะรู้กายนะัจ้องลงไปเฝ้าดูกายไม่ให้คลาดสายตาเวลาจะดูจิตก็จ้องอยู่ที่จิตไม่ให้คลาดสายตา การที่เราไปจ้องไว้ที่กายจ้องไว้ที่จิตมันกลายเป็นการเพง่งกายเพ่งจิตถ้าเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งนิ่งใจก็นิ่งนิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วไตร ล, ลักษณ์มันแสดงไม่ได้เพราะไตร ล, ลักษณ์มันไม่นิ่งไตร ล, ลักษ ม, ม่เที่ยยงมัจะตรกเป็นของทนอยู่ไม่ได้เนี่ยสภาวะสจะแสดงสภาวะที่ทนไม่ได้สภาวะที่บังคับไม่ได้แต่ถ้าพวกเรายังภาวนาด้วยการเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้กําหนดเอาไว้ เราจะรู้สึกว่าร่างกายก็นิ่งๆิ่งจิตใจก็นิ่งๆิ่งนี่รู้สึกเหมือนเที่ยง <S <S เพ่งไปเพ่งไปนะจะรู้สึกว่ามีความสุขอีกเห็นไหมแทนที่จะเห็นทุกข์ขังนะกลไปเห็นว่ามันสุขขังแล้วก็จะรู้สึกว่าเราบังคับได้เราบังคับกายก็ได้บังคับใจก็ได้บางคนนั่งสมาธินะนั่งได้นานหลายชั่วโมงนั่งได้เป็นคืนนั่งได้เป็นวันไม่เมื่อยหมารู้สึกนั่งเพราะว่าเพ่งเอาไว้ไม่มีไตรลักนะไม่เห็นมันจะทุกตรงไหนแล้วมีแต่ความสุข เข้าสมาธิอยู่จิตใจมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจ ja ิตใจไปเพ่งอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังเพ่งอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วยังจะรู้สึกว่าบังคับได้กายนี้ก็บังคับได้ใจนี้ก็บังคับได้บางคนกินยาพิษเข้าไปไม่ตายนะบังคับได้รู้สึกกูเก่งกูเก่งแทนที่จะเห็นว่าตัวกูไม่มีกลายเป็นว่าตัวกูเก่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเอาแต่เพ่งนะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์จำไว้นะถ้าเราเผลอไปเราจะไม่รู้กายรู้ใจ ถ้าเราเพ่งเอาไว้เราจะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนะบางคนรู้กายรู้ใจนะแต่รู้ด้วยการกำหนดเอาไว้นะเช่นดูท้องฟองยุบก็กำหนดอยู่ที่ท้องจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตนิ่งอยู่ที่ท้องจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกนะหรือกำหนดลมหายใจจิตเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจนะก็ไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูก็เที่ยงอยู่อย่างนั้นเอง เที่ยงได้เป็นกับกับหน่ยนะไปเป็นพระปรอมเกาะอยู่กับลมเกาะนิ่งแต่ก็ไปเป็นปลอมพรอมมีรูปชื่อรูปปรอมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไม่ทํานะสองสิ่งสิ่งแรกก็คือใจลอยไปเม่อเมไปเผลอเอไปถ้ามันเผลอไปจะทํำยังไงห้ามได้ไหยห้ามไม่ได้นะจิตมันเคยเผลอมันก็จะเผลอห้ามมันไม่ได้หน้าที่ของเราก็แค่รู้ทันจิตเผลอไปรู้ว่ามันเผลอไป ทันทีที่รู้ว่าจิตเผลอนะจิตจะตื่นขึ้นโดยฉับพลันเลยจิตเผลอไปทําอะไรส่วนใหญ่ดูออกไหมจิตเผลอไปคิดเห็นไหมจิตหนีไปคิดเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะมีโครบาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อไม่ได้เรียนจากท่านนะ่ะแต่เคยเจอท่านสองสาครั้งคือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนเมื่อก่อนอยู่วัดสนามในตอนนี้ไม่มีที่อยู่นะอา้าวจริงๆนะไม่มีที่อยู่นะ ภาวนาดีๆแล้วไม่มีที่อยู่หรอกหลวงพ่อเตียนนะท่านเคยสอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้เรื่องที่คิดพวกเรารู้อยู่แล้วถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดเนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมางั้นเวลาที่เราเมอเมอะเวลาที่เราหลงหลงก็คือจิตมันไปคิดนั่นเองถ้าเรารู้ทันว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นเราจะรู้สึกตัวขึ้นมา พอจิตตื่นแล้วอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจนะไม่ใช่ตื่นแล้วก็จ้องปึ๊กเลยส่วนใหญ่จะตื่นแล้วจะจ้องเช่นใจลอยไปพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บจะเพ่งใจจะแน่นเป็นก้อนขึ้นมาอัดขึ้นมาเลยนะอันนั้นใช้ไม่ได้หรอกกลับมาเพ่งละนะนี่ถ้าใจลอยไปใจไปคิดรู้ว่าใจไปคิดใจจะตื่นนะพอตื่นแล้วเนี่ยก็คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าตื่นแล้วก็อยู่เฉยๆในความตื่นถ้าอย่างนั้นจะติดในความว่างพวกเราหลายคนที่ภาวนามาถึงวันนี้นะ ที่หัดดูจิตดูใจหลายคนเริ่มไปติดความว่างแล้วบางคนสอนกันให้ไปดูความว่างโดยซ้าให้ไปจิตไปอยู่ในความว่างความว่างใช้ไม่ได้นะต้องรู้กายต้องรู้ใจเท่านั้นไม่ใช่ไปรู้ความว่างเพราะพระพุทธเจ้าสอนกายานุปัสสนาเนี่ยสอนให้รู้กายสอนเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะสอนให้รู้เวทนาซึ่งเป็นนมามธรรม สอนจิตตานุปัสสนาให้รู้จิตที่เป็นกุศลและอกุศลสอนธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเพราะฉะนั้นมีแต่เรื่องกายกับใจพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยสอนบอกให้น้อมใจไปอยู่ในความว่างๆการน้อมใจไปอยู่ในความว่างๆเป็นสมถกรรมฐานนะชื่ออากาสานัญจา ย, ยตนะเป็นสมถะ งั้นพวกเราพอรู้ทันว่าจิตนี้ไปคิดแล้วนะอย่าประคองจิตให้นิ่งๆมีแต่ความสุขความสบายแล้วก็เฟล่องเฟื่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานไปเรื่อยพอเราเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานไปมากเข้ามากเข้าเราก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของจิตกายกับจิตนี่แหละหรือรูปกับนามนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าตัวทุกข์นะ เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อเทศด้วย4ีดีมาแล้วใช่ไหมเรื่องทุกข์ทุกไม่ใช่ความทุกข์นะทุกคือรูปกับนามคือกายกับใจนี้หน้าที่ต่อทุกคือการรู้ให้เรารู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเมื่อรู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันเห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรกับการบูบบวบบวบขาดสติเลยนะมันเป็นปัญญาเป็นความรู้แจ้งนะเป็นความเห็นจริง เสร็จแล้วเราก็รู้กายรู้ใจต่อไปอีกนะถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาอีกว่ากายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยจิตมันจะหมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและก็สัมผัสทางกายหมดความยึดถือกายมันก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะด้วยเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันยังไม่ยึดถือเลยมันจะไปยึดถืออะไรกับรูปถ้าไม่ยึดถือตามันก็ไม่ยึดถือรูปใช่ไหมถ้าไม่ยึดถือเสียงใช่ไหมไม่ยึดถือหูมันก็ไม่ยึดถือเสียง มันจะทิ้งกันไปนะทิ้งกันเป็นคู่คู่ไปเพราะฉั้นถ้ามีปัญญาเห็นแจ้งน่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะหมดความยึดถือกายเมื่อหมดความยึดถือกายเนี่ยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสปรทภาก็จะหมดไปความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปรทภาก็จะหมดไปเรีวยกว่ากามและปฏิฆาขาดไปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะดูต่อไปอีกนะการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะบีบวงกระชับเข้ามาที่จิตดวงเดียวนี่เอง ค่อยรู้คอยดูไปแต่เบื้องต้นเราจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นตัวมีความสุขเราจะรู้ว่าตัวผู้รู้นะเป็นสิ่งที่เราพึ่งที่อาศัยได้แต่เมื่อสติปัญญาแก่รอบขึ้นจริงๆเราจะพบว่าตัวจิตผู้รู้เองนะั้นแหละเป็นตัวทุกข์อีกตัวหนึ่งมันทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคัน้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ถ้าถึงจุดนี้นะถ้าเห็นแจ้งจริงๆนะจิตจะสลัดคืนจิตให้โลกไปนะถ้าจิตคืนจิตให้โลก สลัดทิ้งหมดแล้วนะขันห้า ก, ก็จะร่วงออกไปชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่อัศจรรย์ที่สุดเเป็นชีวิตที่ไม่มีน้ำหนักแต่ร่างกายหนักได้นะห้าสิบหกสิเจ็ิบร้อยโลอะไรเนี่ยหนักได้แต่ไม่มีน้ำหนักในใจเกิดขึ้นน้ำหนักในใจจะไม่มีอีกต่อไปใจจะเข้าถึงความเป็นอิสระภาพที่แท้จริงโปร่งร่งเบาสบายทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขอยู่อย่างนั้นแหละ บางทีใจก็เป็นอุเบกขาบางทีก็มีปีติมีธรรมะหล่อเลี้ยงชุ่มชื่นก็ได้นะแต่ว่าจิตจะไม่เสพอารมณ์ใดๆเลยจิตจะไม่เสพเบทนานะมีความสุขก็สักแต่ว่าเห็นมีอุเบกขาก็สักแต่เห็นแต่ว่ามีความทุกข์ได้ไหมไม่มีนะจิตจะไม่ไปหยิบไปฉวยสิ่งใดขึ้นมาอีกจิตจะเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าสอนทางเดินให้เราแล้วนะ สอนเส้นทางเดินไว้ทางเดินนี้คือการเจริญสติรู้กายรู้ใจนี่แหละเมื่อรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วตัณหาคือความอยากจะไม่เกิดตัณหาทั้งหลายแหล่ดูว่ามีเยอะแยะโบราณบอกว่ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดฟังว่ามีตัณหาเยอะแยะเอาเข้าจริงมันก็คือความอยากให้กายเป็นสุขความอยากให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายพ้นทุกข์ความอยากให้ใจพ้นทุกข์ คืออยากให้กายให้ใจมันสุขอยากให้กายให้ใจมันไม่ทุกข์มันก็อยากอยู่อย่างนี้แหละอย่างอื่นๆมันก็เพื่อตอบสนองจุดนี้ทั้งนั้นเองแต่เพื่อเมื่อมันไม่ยึดถือกายยึดถือใจเสร็จแล้วเนี่ยความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเ่อถ้าเรารู้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้กายรู้ใจแ จ, จ่มแจ้งจนไม่ยึดถือมันแล้วเนี่ยตัณหาคือความทยานอยากของจิตจะไม่เกิดขึ้นอีก เมื่อจิตปราศาจากสัณหา น, ะนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะนิพพานไม่ได้อยู่อินเดียหลายคนชอบมาชวนหลวงพ่อไปอินเดียหลวงพ่อบอกไปทำไมอินเดียมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่อินเดียนี่ใช่ไหมมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ใจของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นเท่านั้นเองแล้วก็พัฒนาจิตใจของเราให้มันมีคุณภาพขึ้นมานะรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้ เผลอไปแล้วก็รู้นะถ้าเพ่งอยู่ก็รู้รู้ทันไปเรื่อยในที่สุดก็ไม่เผลอไม่เพ่งรู้สึกตัวสบายๆตรงที่รู้สึกตัวอยู่นี่แหละรู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าทางสายกลางเผลอไปตามใจกิเลสไปนะก็สุดตรงไปข้างตามใจกิเลสชื่อกรรมสุขาริการุโยคเมื่อกี้เทศทางซีดีพี่รอบแล้วน ะ, ะถ้าไปเพ่งไว้ก็เป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจเพะงั้นอย่าไปบังคับนะ เอารู้ไปรู้ไปเรื่อยๆรู้จนรู้จริงพอรู้จริงแล้วหมดตัณหาหมดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขทำไมหมดความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเพราะรู้แจ้งแล้วว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์ทำยังไงก็ต้องทุกข์นะหมดความอยากจะให้จิตใจเป็นสุขนะเพราะว่ามันทุกข์แน่นอ น, นเห็นแจ้งอย่างนี้นะใจจะวางหมดความอยากหมดความดิ้นรนใจก็สัมผัสกับพระนิพพาน นิพพานคือความสิ้นตัญหาคือสิ้นความอยากนิพพานคือการสิ้นความดิ้นรนนะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งชื่อว่าวิสังขาร น, นิพพานเป็นการสลัดคืนนะคืนรูปคืนนามให้โลกไปแล้วถือจะสัมผัสนิพพานเรียกว่าวิมุตนะมันสลัดคืนรูปคืนนามไปได้งนั้นนิพพานมีจริงๆขอยืนยันว่ามีจริงๆเส้นทางไปสู่พระนิพพาก็ยังมีอยู่นะ สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไว้ก็ยังดำรงอยู่อยู่ที่พวกเราเท่านั้นแหละที่จะขวนขวายพัฒนาจิตใจตนเองเพื่อวันหนึ่งจะได้เข้าไปมีส่วนเป็นพระรัตนตรัยด้วยตัวของเราเองหรือเปล่านะงั้นถ้าเราจเจริญสตินะรู้สึกกายรู้สึกใจเผลอไปก็รู้เพ่งไว้ก็รู้นะพอรู้แล้วก็รู้กายรู้ใจเห็นเขาทางานไปเรื่อยถึงวันหนึ่งนะเราจะได้อริยมรรคอริยผลนะต่อไปเราก็จะสัมผัสพนานิพนธ ตอนเป็นพระโสดานะก็สัมผัสพระนิพพานแวบๆนะได้นิดๆหน่อยๆได้ชิมหลางเล็กๆน้อยๆได้สักาคาถาก็เไปสัมผัสอีกทีหนึง่งเป็นพระนาคาก็สัมผัสอีกทีหนึง่งตอนเป็นพระละหาันนั่นเนี่ยเวลาเรานึกถึงนิพพานเมื่อไหร่นิพพานอยู่ต่อหน้าไม่ต้องเดินหานิพพานไม่ได้อยู่ที่สวนสันติธรรมด้วยนะไม่ได้อยู่โรงเรียนจุไรรัฐไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ต่อหน้าต่อตางั้นจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็จะเห็นมื่นั้นแหละ เนั้นมรรคผลนิพพานมีจริงๆสรุปแล้วเส้นทางปฏิบัตินะวิธีปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพานก็มีจริงๆรนะิให้รู้สภาวะไปนะรู้ลักษณะเฉพาะแต่ละตัวแต่ละตัวความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดรู้ความหลงเกิดเสร็จแล้วทุกทุ ก, ท, กทุกตัวจะแสดงสามัญลักษณะนะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดดับให้ดูการที่เราเห็น สามั ญ, ญลักษณะเห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะแจ้งว่าตัวเราไม่มีจริงๆหรอกแล้วต่อไปมันจะแจ้งว่าทั้งกายทั้งใจนี้จะเป็นแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเลย น, นี่คือเส้นทางเดินที่พระอริยเจ้าทั้งหลายดําเนินมานเห็นเส้นทางที่ถ้าเรายังทํานะปฏิบัติอยู่จเจริญอยู่แล้วก็โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะตราบใดที่ยังมีผู้จเจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ สติปัฏฐานหมายถึงเป็นสติที่รู้กายรู้ใจนะถ้าสติอย่างอื่นไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องเป็นสติที่คอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์น ะ, ะวันนี้เทศพอสมควรทําไมเทศดูเดือดนะก็ไม่รูนะ้ถ้าวันไหนใครจัดให้หลวงพ่อเทศนะเราอยากฟังง่ายๆนะเอาพวกภาวนาเก่งๆไปนั่งห่างๆนะ คนภานาไม่เป็นมานั่งใกล้ๆไวนะ้ธรรมะมันจะได้ง่ายขึ้นนะได้ข่าวว่าจะมีคนถามส5บห้าคนหลวงพ่อเลยเทศครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะกราบเรียนหลวงพ่อปาโมทเจ้าค่ะตั้งแต่หลังปีใหม่ที่ผ่านมาลูกก็ได้พยายาม เ, เดินจงกรมแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวัน ก็มีความรู้สึกว่าโทสะหรือกิเลสต่างๆเข้ามาเนี่ยก็รู้ได้เร็วขึ้นก็รู้สึกว่าโทสะหรือกิเลสต่างๆเนี่ยพอเรารับรู้แล้วเนี่ยก็จะก็จะหายไปเร็วขึ้นทีนี้ช่วงที่ปฏิบัติอยู่จะมีอยู่ครั้งหนึ่งมันจะเกิดสภาวะที่ว่า ใจมันโปร่งมันโล่งสบายมิทาราบไฟอันนั้นถูกต้องหรือเปล่าถูกสินะเวลาจิต ท, ที่มีความรู้สึกตัวเนะียจิตจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมานะสบายจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบสาสว่างนะเป็นจิต ท, ที่เบาจิต ท, ที่นุ่มนวลจิต ท, ที่อ่อนโยนจิต ท, ที่คล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุดไม่ถือนั่นะจิตชนิดนั้นจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้น อยากจะขอคาแนะนำหลวงพ่อค่ะของโยมยังประคองไว้เล็กน้อยนะอย่าประคองจิตนะรู้สึกมหมยังประคองอยู่นะปล่อยแ ต, แต่เป็นแค่ประคองจนยังไม่ใช่เพงใช่ไหมเจ้าค่ะหรือใกล้เคียงกันประคองเงนี่นเป็นจุดตั้งต้นของการเพง่ง ค, คือเราอยากให้มันดีใช่ไหมอย่างเราตื่นเต้นนี่เราก็อยากให้มันไม่ตื่นเต้นนะเราเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาเราไม่ชอบเนี่ยเราก็พยายามรักษารักษาจิตให้มันดีให้มันนิ่งมันกลายเป็นการประคองจิตไป รู้สึกไหมจิตขณะนี้นิ่งกว่าความเป็นจริงถูออกไหมดูค่ะต้องปล่อยนะปล่อยให้เขาทางานอย่อิสระแล้วตามดูเข้าไปค่ะขอบพระคุณกค่ะการปฏิบัติเนะี่ยมันไม่ยากอะไรหรอกนะเราตามดูกายดูใจเราเหมือนเราดูเด็กสักคนหนึ่งร่างกายก็เหมือนเด็กนะวิ่งไปวิ่งมายืนเดินนั่งนอนดูมันทํางานไปนะจิตใจก็เหมือนเด็กเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจ เราตามดูมันเล่นๆไปด้วยเราไม่ไปบังคับให้เ้านิ่งหรอกอาเชิญคนตอบไปนมาสการ์หลวงพ่ออตื่นเต้นคะ่ะเมื่อกี้นั่งอยู่ตื่นเต้นแล้วทํายัางไงตื่นเต้นก็รู้คะ่ะไม่รู้สิตื่นเต้นแล้วเพงอ่งแล้วไงแบ่งดูการปฏิบัติเป็นช่วงหเดือนแรกกับหเดือนหลังนะคะหกเดือนหลังนี่ใจมันไม่ค่อยยอมกับมาดูกายดูใจเท่าไรหร่นั่นแหละมันจะน้อมไปว่างๆนะ จะหนีไปหาความสุขความสบายมันยังไม่ใช่เวลาที่เราจะสบายนะช่วงนี้เป็นเวลาที่ต้องคอยรู้ทุกข์ไว้คอยรู้กายคอยรู้ใจไว้จนมันล้างกิเลสได้จริงๆนะถ้าเราภาวนาแล้วใจเราโล่งเบามีความสุขไปวันหนึ่งวันนึงมันจะเผลอเผลนระะมัดระวังนะมันจะเพลินค่ะพอดีช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเห็นทุกเห็นทุกเยอะมากๆเราใจไม่มนหนีใช่ไม่ยอมดูก็ไปถามอาจารย์สุรวัตรอาจารย์บอกว่า ก็เห็นทุกข์นะถูกแล้วทีนี้ใจก็ดิ้นใหญ่เลยเพราะว่าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์นี่ไงให้รู้ทันความไม่อยากน ะ, ะความไม่อยากเกิดขึ้นใช่ไหมมันคืออะไรคือวิภาวะตัณหาไม่อยากให้สภาวะที่เป็นทุกข์นี้มีอยู่อยากให้มันหายไปนะตัณหาเกิดขึ้นก็เกิดการสร้างภพคือการปรุงแต่งพพขึ้นมาหนึ่งภพที่ปรุงขึ้นมาก็คือความว่างๆนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรานะ รู้สึกไหมเราสบายแล้วเราสบายเราปลอดภนะัยจะมีเราขึ้นมานะ<ะ>แทนที่เราจะภาวนาแลก็เห็นว่ามันไม่มีเรานะกลายเป็นว่ามันจะมีเราฉะนั้นเราอย่าเอาความสุขความสบายตรงนี้มันเหมือนเราจะเดินทางไกลเดินในทะเลทรายเราไปเจอโอเอซิสก็แห่งหนึ่งเล็กๆนะเราก็พอใจแล้วเราไม่เดินต่อละเราก็ติดอยู่ในความสบายเล็กน้อยมันจะทําให้เราพลาดโอกาสที่จะสัมผัสความสบายอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้า ทิ้งมันไปแล้วคอยรู้กายรู้ใจไว้นะค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเห็นกิเลสเราก็จะกดทันทีเพราะว่านะรู้สึกว่าให้รู้ทันนะเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจเราเกลียดกิเลสนะกิเลสก็คืออกุศลทั้งหลายเนี่ยนะมันมีความเท่าเทียมกักบกุศลทั้งหลายดีกับชั่วเนี่ยเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณนะ์หมายความว่าความชั่วเกิดขึ้นความชั่วก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูได้ความชั่วก็เป็นครูคนหนึ่งของเราอย่าไปเกลียดครูนะ เราจะเอาแต่ครูหน้าหวานหวานะครูหน้าตาดุดุเราจะไม่เอาเะฉะนั้นทั้งกุศลทั้งอกุศลล้วนแต่แสดงใจรักทั้งสิ้นใช่ไหมคุณงามความดีในใจเราอย่างเกิดศรัทธาอยากฟังธรรมเนี่ยก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับฟังแล้วก็เบื่ออยากกลับบ้านใช่ไหมดูไปดูไปเดี๋ยวมันก็หายเบื่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลนั้นเท่าเทียมกันโดยความเป็นไตรักถ้าเราคอยรู้คอยดูเราไม่ใช่รักกุศลเกลียดอกุศลนะ แต่ยิ่งถ้าใครรักอกุศลเกลียดกุศลนี่แย่เลยอย่าไปคบมันนะเวียนหัวค่ะเราจะเกิดว่ารู้ข้างนอกแล้วกลับมารู้อยู่กลางอกอย่างนี้ใช้ได้จงใจรู้ใช้ไม่ได้ค่ะให้รู้ว่าจงใจนะค่ะเราจะภาวนาจนกระทั่งมันอัตโนมัติไม่มีความจงใจถ้ายังจงใจอ ย, อยู่จะกลายเป็นการเพ่งมาเพ่งอยู่กลางอกหลวงพ่อก็เคยเพ่งแต่ก่อนทาผิดนะ เห็นจิตมันทำงานอยู่ที่กลาง อ, อกใช่ไหมไหว ย, ยับยับยับยบัก็ปลุงขึ้นมาตรงนี้แหละโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์อะไรก็ผุดขึ้นมาจากกลาง อ, อกนี่แหละอาจานย์มหาบัวก็เคยพูดบอกว่าทำแท้เกิดขึ้นกลาง อ, อกนั้นกุศลกุศลเกิดที่กลาง อ, อกนี่คอยดูอยู่ด้วยเรานึกว่าเจ๋งนะนึกว่าต้องดูตรงนี้แหละถึงจะบรรลุพระอรหันต์ไปถามหลวงปูด่ดูลงปูค่ครับจิตยอยู่ที่ไหน จิตมันตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยกล่าวว่าท่านต้องต้องตอบว่าจิตอยู่ที่กลางหน้าอกนะเราจะได้ภูมิใจว่ากูเก่งกูเก่งเนียท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้ง <laughs> ฟังรับวฝอเลยจิตไม่มีที่ตั้งทําไมจิตไม่มีที่ตั้งเพราะจิตเกิดตรงไหนจิตก็ดับตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นวับเดียวก็ดับตรงนั้นเลยไม่มีตั้งอยู่ที่ไหนนานหรอกนะงั้นไม่เอาไปประคองไว้ที่กลางหน้าอกแต่ถ้าเห็นสภาวะผุดขึ้นกลางหน้าอกรู้ว่าผุดขึ้นมา แล้วใจเราถลําลงไปดูที่กลางหนะ้าอกตัวนี้ก็สําคัญนะถลําลงไปดูนี่ก็ไม่ได้ก็รู้ทันว่าถลําลงไปนะให้รู้ทันลูกเดียวเลยคนต่อไปคนนี้ถามละเอียดละ อ, อกราบนามัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้ลูกได้ใส่ชื่อตัวเองเป็นครั้งแรกลงไปแล้วถูกจับฉลากขึ้นมาเมื่อประมาณหนึ่งปีผ่านมาลูกเคยพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็ขอขามาหลวงพ่อด้วย ลูกเคยพูดว่าการดูกายดูจิตจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงเกิดความสงสัยวันนี้ขอหลวงพ่อเมตตา ย, โยกโทษนะด้วยน ะ, ะหลวงพ่อยกโทษนะหลวงพ่อขมาแล้วทุกๆ ท, ท่านนะหลวงพ่อขมาแต่ได้ไม่ต้องขอะนะลูกยังสับสนกับการดูกายดูจิตเจ้าค่ะยังแรกรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานรู้สึกสบายๆอย่างตอนเนี้ใจไปคิดแล้วทราบไหม ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจไปคิดเใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมเห็นมันไหลแบบนั้นมันเผลอไปเห็นไหมดูเป็นแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าทําไมจะดูไม่ได้เนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมเห็นไหมมันไหลเบึ้บไปนะลูกยังไม่มีอะไรถามค่ะวันนี้ขอขอเขมาอีกก็คุณลูกไม่เป็นไรนะคุณลูกเห็นจิตที่ไหลไปคิดได้ก็ใช้ได้แล้วฝึกตรงเนี้สําคัญที่สุดเลย จิตที่หลงไปคิดนะเป็นจิตที่มีโมหะโมหะเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสทุกๆตัวเลยต้องหลงก่อนนะถึงจะโลภได้ต้องหลงก่อนถึงจะโกรธได้เพราะนั้นเราถ้าเรารู้ทางจิตที่หลงนะมันจะไม่มีโอกาสโลภไม่มีโอกาสโกรธเลยอย่าตอนนี้หลงไปอีกแล้วท ร, รับไหมเห็นใจที่ไหลใช่ไหม โยมคอยรู้ตรงนี้มากมนะแล้ววันหนึ่งโยมจะไม่ถามหลวงพ่อแล้วแต่โยมจะมาไปช่วยเป็นพยานให้หลวงพ่อจะมาบอกเลยว่าการปฏิบัติมันง่ายจริงๆนะหลวงพ่อนะแล้วความทุกข์มันจะตกหายต่อหน้าต่อตาเราคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าไม่ดื้อแล้วก็ไม่ได้ติดสมถะนะเดือนเดียวเท่านั้นแหละเปลี่ยนละชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปเลยเคยทุกข์หนักๆก็ทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นนิดเดียวนะ<ม>อะไรไหวขึ้นมาวับสติก็รู้แล้ว อย่าตอนเนี้ยคุณลูกก่บใจลอยไปแล้วทราบไหมเจ้าค่ะของคุณเอย่าไปประคองใจให้เบลอๆนะพยายามรู้สึกตัวให้ชัดกว่านี้ของคุณน้อมใจให้มันนิ่มนิ่งๆมากไปน้อมใจให้ลอยๆเบาๆอย่าน้อมอย่างนั้นรู้สึกตัวให้มันว่องไวนะอย่าให้ซึมซึมไปอ้าวท่านที่สี่ะกับน้ำมกาลหลวงพ่อนะครับ ปกติผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้เดือนนึงนะครับก็ฝึกเป็นอน า, นาปนสติก็ไปฟังเทศหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อวันนี้นะครับที่สวนสันติธรรมก็เพิ่งเคยได้ยินคำว่าดูจิตนะครับก็เลยลองทําดูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําอยู่ใช่ไหมอย่างปัจจุบันเนี้ยก็รู้สึกว่ามือกําลังถือไม้ปากกําลังพูดอยู่ก็คือรู้สึกว่าพูดรู้สึกว่ากําลังถามไม่ทราบว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี้ยคือใช่การดูจิตหรือเปล่าคือเราไม่ต้องสนใจคำว่าดูจิตนะเราฝึกสติดีกว่า เวลาเรามีสติที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดูกายเดี๋ยวมันก็ดูเวทนาเดี๋ยวมันก็ดูจิตมันไม่เลือกเฉพาะดูจิตหรอกนะคําว่าดูจิตดูจิตมันแค่จุดตั้งต้นหรอกแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายนะตอนระหว่างเราปฏิบัติเนี่ยนะเราก็รู้กายได้ก็รู้รู้จิตได้ก็รู้อย่างตอนนี้จิตไปคิดแล้วทราบไหมการที่รู้ว่าร่างกายกําลังพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่การดูกายนะร่างกายถ้าเราเห็นแค่ว่าร่างกายนี้มีอยู่ร่างกายนี้เคลื่อนไหวเห็นปากประงับประงับเนี่ย ใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทําปากประ ง, งับประ ง, งับไปอย่างนี้ใช้ได้เห็นร่างกายมันทํางานนะเรียกว่าการดูกายหรือเห็นจิตมันทํางานจิตไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งคอยรู้ทันนี้นี่เรียกว่าดูจิตรู้ทันจิตอย่าตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหม <Okay. S 1> สังเกตไหมเวลาฟังหลวงพ่อเทศเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเห็นไหมเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวก็สลับไปคิดดวก่ะไหม งั้นเรามีสติเราก็จะรู้เลยจิตไปฟังก็รู้จิตไปดูก็รู้จิตไปคิดก็รู้เนี่ยตอนนี้จิตไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับนะให้เขารู้เล่นๆของคุณรู้แบบมากไปจะรู้แบบไม่ให้คลาดสายตาจ้องมากไปรู้เล่นๆรู้ให้สบายกว่านี้คือคิดก็ปล่อยให้คิดใช่ไหมครับให้คิดไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดนะบางคนเข้าใจผิดว่าห้ามคิดจิตมีหน้าที่คิดจิตต้องคิดพระอรหันต์ก็คิดนะแต่พอคิดแล้วท่านไม่ยึดถืออะไรเลย ของเราพอคิดไปเราเกิดกิเลสอย่างนี้ขึ้นในชีวิตประจําวันถ้าเราทําก็คือแค่รู้ว่าตอนนั้นเราทําอะไรอยู่หรือว่าคิดอะไรอยู่แค่นั้นใช่ไหมไม่ไม่ใช่รู้ว่าทําอะไรอยู่ไม่ช่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ขับรถรู้ว่าขับรถไม่ได้นะเห็นไมโครโฟนรู้ว่าไมโครโฟนอะไรย่างนี้ไม่ได้นะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจเช่นขับรถอยู่ก็เห็นร่างกายมันเป็นคนขับใจของเราเป็นคนดูนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนอนอยู่ก็เห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูโกรธขึ้นมาก็เห็นจิตมันโกรธ ใจเราเป็นแค่คนดูว่ามันโกรธไม่ใช่เราโกรธจิตมันโกรธจิตมันโลบจิตมันหลงไม่ใช่เราโกรธ โ, โลบโหลงแล้วก็ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะไม่ใช่คิดคิดไปเนี่ยวันนี้คิดเรื่องจะไปเลือกตั้งผู้ว่าคนไหนดีอะไนี้นอันนี้ไม่ใช่การดูจิตอันนั้นไปรู้เรื่องที่คิดคนทั่วๆไปเขาก็รู้เรื่องที่เขาคิดนะแต่เรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดต่างหากเรารู้ทันว่าจิตไปคิดแล้ว คิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตไปคิดรู้สึกไหมจิตไปคิดเรื่อยๆเรื่องไม่สําคัญเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์บัญญัตินะไม่ใช่อารมณ์ปรมาสต์ตัวจิตที่ไปคิดต่างหากเป็นอารมณ์ปรมัสต์เรารู้ต้องรู้อารมณ์ปรมัสต์นะรู้กายรู้ใจความคิดไม่ใช่กายใช่ใจขอคําแนะนําในการปฏิบัติหลวงพ่ออย่าบังคับตัวเองนะแล้วตามรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคขอบคุณอาคนต่อไป การธรรมสักการ์ขหลวงพ่อคือว่าคราวที่แล้วอะค่ะท่านก็ให้การบ้านไปภาวนาพุทโธอะค่ ะ, คะก็ก็รู้สึกว่าใจสงบเดียค่ะใจมันเลยนะสงบใจสงบ<ด>แล้วพอใจไหมสงบแล้วพอใจไหมถ้าสงบแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะเนี่ยเราพัฒนาต่อไปการที่เราพุทโธพุทโธนั้นเป็นสมถะกรรมฐาน พุโทโธเป็นอารมณ์บรรยัติ น, นึงนะเราไปรู้ต่อเนื่องไปได้ความสงบขึ้นมาเมื่อความสงบเกิดขึ้นเรารู้ว่าจิตสงบเนี่ยเรารู้ทันจิตอย่างนี้เรียกว่าเข้ามาถึงอารมณ์ปรมัตะแล้วทำวิปัสสนาดได้เราเห็นจิตสงบไม่ใช่เราสงบนะจิตมันสงบถ้าพอจิตสงบแล้วกเกิดชอบขึ้นมาราคะเกิดพอใจในความสงบรู้ว่าพอใจเห็นความพอใจผุดขึ้นมาความพอใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป เนี่ยคอยดูสภาวะทั้งหลายมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมจิตมันหนีไปคิดแนละ้วนะซึมไปนะอย่าให้ซึมขนาดนี้ให้มันกระปรีก่กระเปร่าวกว่านี้หน่อยนะค่ะแล้วก็เวลาไปโรงเรียนนะคะรู้สึกว่าแบบเผลอนานอ่ะคะแบบไม่ค่อยได้เราต้องซ้อมทุกวันนะกลับมาบ้านนะทุกวันเราลองพุโทโธรไปเรื่อยๆพุโทโธแล้วก็รู้ทันใจ พุโทโธพุธโทโธใจแอบไปคิดก็รู้พุโทโธพุธโทโธใจไปแอบไปคิดอีกก็รู้อีกนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะสามารถมีสติในชีวิตประจําวันได้มากแต่เวลาเรียนหนังสือต้องรู้เรื่องที่เรียนนะเวลาทํางานผู้ใหญ่ทํางานต้องคิดเรื่องงานก็ต้องไปรู้เรื่องงานไม่ใช่เวลาจเจริญสติแต่พอเรียนหนังสือหรือทํางานแล้ว เ, เกิดขี้เกียจเนี่ยให้มีสติรู้ทันว่าขี้เกียจอย่างนี้เป็นการปฏิบัติค่ะเราก็ทํายังไงแบบ ให้ท่านช่วยแนะนำต่อค่ะว่าอย่าบังคับตัวเองปล่อยซะตอนนี้ยแล้วก็ตามดูมันเล่นๆ น, นะตอนนี้กดมันแรงไปหน่อยตื่นเต้นนะอะไรกดเอาไว้ดูออกไหมดูออกนะออตื่นเต้นแล้วเรากดอยู่เราก็รู้เราไม่บังคับกายไม่บังคับใจนะขั้นแรกเลยเราถือศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าจำเป็นมากต้องถือศีลห้านะผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีศีลใจจะวุ่นวายถ้ามีศีลจิตใจสงบง่ายเพราะเรามีศีลห้าก่อน พอมีศีลห้าแล้วเราก็ปล่อยให้กายให้ใจทํางานไปเช่นเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดขึ้นมาเราก็ไม่ต้องห้ามมันแต่ว่าเราไม่ไปดา่าไม่ไปตีเขาเพราะเรามีศีลเราเห็นใจที่เกลียดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับตัวไหนเกิดขึ้นแล้วก็ดับทั้งสิ้นดูอย่างนี้นะฝึกเอาขอบพระคุณค่ะฝึกแต่เด็กๆนะดีโตแล้วจะได้เก่งๆหมดยังกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปกติก็เข้าไปดูในเว็บวิมุติ .net นะคะ แล้วก็ฟังซีดีลองพ่อบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังย้วเมื่อตอนอช่วงปีใหม่คือไม่ไม่ ไ, มไมด้ปฏิบัติอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเนี้ยมันเกิดควารู้สึกที่จะล้มตัวลงนอนแล้วเกิดความรู้สึกเป็นเห็นชัดเจนว่ามีเกิดดับอยู่ที่กลางหลังเจ้าค่ะอกลางหลังก็รู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพ่อไม่ทราบนะคะแล้วก็นอนไปโดยที่กําหนดรู้แล้วก็หลับได้สบายมาก<อ>คือหลับเร็วเลยนะเจ้าค่ะ จะไปเราจะฝึกรู้สภาวะเรื่อยๆนะไม่กำหนดนะไม่ต้องกำหนดนะการที่เกิดที่กลางหลังนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเจาเราเห็นเห็นรูปรูปมันเกิดดับไปเท่านั้นค่ะแต่ว่าเวลาเห็นเนี่ยใจอย่าถล่มลงไปจ้องดูอยู่ห่างๆ เวลาเราดูกายดูใจเราต้องดูห่างๆดูเหมือนดูคนอื่นไปเห็นร่างกายมันเองลงไปนอนเหมือนเห็นคนอื่นลงไปนอนนะเราดูอยู่ห่างๆเมื่อเราดูฟุตบอลเรานั่งอยู่บนอัธจันดูนักฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาเราก็เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวไปมาใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆไปนะอย่าให้ถลํมลงไปเพ่งอยู่ที่หลังก็แล้วกันเจ้านคะ่ะอีกข้อหนึ่งท่า น, นอาารที่เรายึดติดอยู่กับ พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยถ้าเราได้กราบบูชาอยู่เรื่อยๆแล้วขอรัตนาท่านวากราบอยู่เรื่อยๆแล้วก็เปิดอยู่เรื่อยอันนี้ไม่ใช่เป็นการยึดติดที่ดีแล้วไม่เป็นไรเป็นกุศลนะพระบรมสารีริกธาตุจะทําให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าการที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆทาให้จิตสงบเป็นพุทธานุสติได้นะอย่างคนเอาพระธาตุมาถามหลวงพ่อนะชอบมาถามบางคนอนะ เอามาอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆไหมครับนะบอกแท้ไม่แท้อยู่ที่เราเองแหละพระบรมสารีริกธาตุแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดก็เหมือนพระพุทธรูปองค์หนึ่งแหละคือเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องเตือนใจให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้านะถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ได้บุญละตายไปในขณะที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ไปสุคติเท่านั้นเองนะงั้นคนชอบเอาพระท่านมาให้เราพ่อก็ชอบแจกต่อ หลวงพ่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกพระธาตุไม่พระธาตุนะกล่าวขอบพระคุณจ้ะค่ะอย่างพระพุทธรูปใช่ไหมปั้นมาจากดินก็เป็นพระพุทธรูปปั้นมาจากอะไรก็เป็นพระพุทธรูปในสมัยก่อนนะในพงศวดานมอนมีกษัตริย์มอนผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากตั้งชาวบ้านคนหนึ่งขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อเพราะว่าตัว พระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงเนี่ยไม่มีทายาทไม่ได้แต่งงานก็ไปเอาสามัญชนนะมาตั้งเป็นพระเจ้าแผ่นดินพวกขุนนางมอญไม่ยอมไหวไม่อยากไหวรู้สึกดูถูกว่านี่มันไม่ใช่เชื้อพระวงศ์เนี่ยพระราชนิพะไรพระเจ้าแผ่นดินผู้หญิงเนี่ยท่านฉลาดท่านสั่งให้ขุนนางเนี่ยไปตัดเสาสะพานมาเสาสะพานซึ่งคนเดินข้ามทุกวันะตัดเสาเนะั้นมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแล้วมาตั้งไว้ ขุนนางเห็นนักกราบทุกคนเลยกษัตริย์องค์นี้ท่านก็ถามบอกไม่รู้เหรอว่าพระพุทธรูปนี้ทํามาจากอะไรขุนนางบอกรู้ทํามาจากเสาสะพานที่คนเดินข้ามมาตั้งหลายสิบปีละแต่เมื่อเป็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบได้นี่ท่านก็สอนเนี่ยสามัญชนนะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเหมือนทําท่อนไม้ขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปแบบเดียวกันเขาก็เลยยอมกราบกษัตริย์องค์นี้เป็นกษัตริย์ที่เก่งมากคือพระทรมาเจดีเรืออะลรเนี่ย จำชื่อไม่ได้นะงั้นพระาธาตุพระเทิดลยนะระลึกถึงมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บุญทั้งนั้นแหลนะไปเก็บก้อนกรวดมาสักก้อนหนึ่งแล้วเราก็นึกนะก็ได้บุญเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ให้ลบหลู่นะพระาธาตุประเภทลอยไปลอยมาปาฏิหารได้ก็มีนะถามใจเรื่องพระาธาตุเหรออกรรมน้ํำมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ วันนี้ลูกดีใจมากค่ะที่ดีใจให้รู้ว่าดีใจนะค่ะออที่มีโอกาสได้มากับหลวงพ่อค่ะแล้วก็คือที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็ใช้วิธีฟังซีดีอะค่ะเพราะว่าไปหาหลวงพ่อที่วัดยากอะค่ะออแล้วก็ตอนฟังอยู่ที่บ้านก็ออฟังจริงๆฟังทุกที่อะค่ะฟังมาสองปีแล้วจิตน่าใช้ได้นะจิตมันเริ่มตื่นแล้ว เราคอยรู้สึกไปเห็นไหมกิเลสมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับดูออกแล้วยังดูเห็นกิเลสท่วมหัวเลยค่ะโอ้ยโมทนาสาธุถ้าภาวนาดีนะจะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยพวกภาวนาไม่เป็นไม่เห็นกิเลสจาำไหมนะแล้วก็เห็นโมหะเยอะมากเลยค่ะดีมากนะภาวนาเป็นแนละ้วเห็นไหมกิเลสมันเกิดเราห้ามมันไม่ได้คแม้เรารู้เฉยๆสติจะเกิดเลยอไม่เกิดก็ห้ามสั่งไม่ได้ดูออกไหมค่ะหนูตามดูตามรู้เฉยๆแล้วบางทีแบบ ้ก็คืออาจจะเคยฝึกแบบเพลงมาด้วยก็เลยก็เลยรู้สเต็ปของว่าเออเราไปเพลงแล้วแล้วมันก็จบเป็นสเต็ปสเต็ปนี้ยอ่ะ น, น, น, นดูมีชีวิตทีละสเต็ปนั่นแหละเรียกว่าขณะขณะไปมีชีวิตเป็นปัจจุบันทีละขณะขณะไปแล้วหนูก็ก็ดูเล่นๆแต่ว่าดูจริงๆแบบทําทุกวันฟังซีดีไปเรื่อยนั่นแหละทําเล่นๆจริงๆนั่นแหละ <laughs> ถูกต้องแล้วก็วันนี้ก็ คือเอางี้ตอบหลวงพ่อหน่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างไงบ้างเปลี่ยนมากแบบเหมือนคนละคนเลยค่ะใช่คนละคนถูกต้องแล้วยังไงอีกก็อย่างเช่นเออก็คืออย่างเมื่อก่อนจะทุกนานโกรธนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดีนะคะโกรธ โกรธก็ยังโกรธอยู่แบบเห็นแล้วปั๊บหนึ่งมันก็หายไปเลยอเพราะว่ามันอาจจะแบบเพราะว่าเรารู้มันก็เลยจบเร็วขึ้นในแต่ละเรื่องมันก็จบเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะน่าแหละถูกเป๊ะเลยนะแล้วฝึกไปน่าฝึกไปอย่างนี้แหละแล้ววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทุกสิ่งนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สังเกตแม้ความโกรธไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความโลภไม่ใช่เราเห็นไหมความหลงไม่ใช่เรา เห็นไหมอะไรๆก็ไม่ใช่เราแต่หนูเห็นตัวตนของตัวตนนะคะได้ไงเหลือจิตอยู่อันหนึ่งเป็นเราเห็นตัวตนเพราะฉะนั้นยังเป็นปุถุชนอยู่นะเราคอยรู้คอยดูอย่างที่ทําอยู่เนี่ยวันหนึ่งปัญญามันแจ้งมันรู้แจ้งแทงตลอดเข้ามาว่าตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีนะถ้าตัวตนไม่มีเมื่อไหร่นะวันนั้นเป็นพระโสดาบัน่ะตอนหนูอยู่ที่บ้านหนูอยาิจะมาไอ้หนูอยาิจะขอบคุณ ว่าออทำให้หนูรู้ว่าหนูทำผิดมาตลอดทำผิดมาเยอะมาก ๆ, ๆแล้วก็ได้เข้าใจขึ้นนะคะก็ไม่มีอะไรจะถวายนอกจากจะภาวนา<อ>ถวายเป็นอาจารย์ยบูชค่ะอสาธุน ะ, ะสาธุชอบที่สุดเลยถวายการปฏิบัติเนี่ยบางคนชอบถวายอย่างอื่นถวายการปฏิบัตินี้ชอบที่สุดเลยนะฟังแล้วสดชื่นหนูจับฉลากได้เดือนห้าจะไปอยู่ที่วัดท่านนะค ะ, ะจับเก่งนะได้ปีนี้ คิว <C> e <al> อยู่วัดหลวงพ่อถึงปีห้าเก้าแล้วนะขอบพระคุณเจ้าค่ะนมรดกการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนหลวงพ่อไม่เห็น <c oughs> ช่วยยืนไหนได้ไหมเมื่อเมื่อไหลายเด <c oughs> นั่งได้แล้ว <c oughs> จำหน้าได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อหลายเดือนก่อนนี้ได้ไปที่วัดหลวงพอ่อค่ะแล้วก็ได้ไปรายงานว่าเปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเห็นตัวเห็นความยึดนะคะตอนนี้มันได้รู้จักกับความยึดกลับมาก็มาทําต่อ เสร็จแล้วก็ได้เห็นกระบวนการของการยึดก็พอรู้ว่ายึดปุ๊บมันก็ดับยึดปุ๊บมันก็ดับมันรู้อย่างนี้ตลอดฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายก็จิตใจสบายขึ้นนะคะแล้วก็เห็นแต่ความเปล่าเปล่าพอเรารู้ปุ๊บมันก็ดับทันทีดีแต่นี้พอเริ่มตอนนี้เพียงแต่ว่าคิดว่าพอรู้ปุ๊บว่าจะไปจะจะมองไปทางไหนหรือจะหันไปทางไหนรู้สึกมันเริ่มมีภาระเรื่องลาคาญหลวงพ่อ ให้รู้ทันนะอย่ามาลำคาญหลวงพ่อนะาําคาญลาคาญไอ้ตัวที่เรามันมันมันออกไปไอ้ตัวที่ห้ามมั น, มนไม่ได้นะให้รู้ทันมันเพราะเราเห็นมากๆเราลาคาญเราก็รู้ว่าลาคาญไปค่ะจิตมีหน้าที่ออกนอกนะมันออกไปรู้อารมณ์ห้ามมันไม่ได้ค่ะอันนั้นที่เราลาคาญเพราะเร า, เราติดอยู่ในความสุขเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยเมื่อไรเราติดอยู่ในความสุขภายในเราจะลาคาญที่มันจะออกข้างนอก ถ้าเราไม่ติดอยู่ข้างในเราจะไม่เกลียดข้างนอกนะไปสังเกตตรงนี้นะที่ภาวนาอยู่ดีนะดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งเบาสบายสบายหลวงพ่อสบายยังบางครั้งว่าถ้าเราจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมีตัวมันจะมีตัวเอ๊ะว่าเราทำไปทำไมคะทำไปทาไมอะไรเนี่ทภาระขึ้นมาทําเล่นๆอย่าเพิ่งเอาความสบายตรงนี้นะ <c oughs> พอเราติดใจในความสบายเนี่ยให้ยมรู้ทันว่าเราชอบเรามีราคะเกิดขึ้นเราพอใจจิตที่มีความสุขความสบายราคะเกิดขึ้นแล้วเรารู้ไม่ทันเนี่ยพอจิตเคลื่อนออกไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโทสะมันก็เลยเกิดพร <c oughs> ามันไม่สบายเหมือนอยู่ในถ้ำ <c oughs> นะให้ดูให้รู้ทันตรงนี้แหละ <c oughs> ตรงที่ติดใจในความสงบความสบาย <c oughs> อ่ะคนต่อไป ถามนมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อการภาวนาตอนนี้รู้สึกกายรู้สึกใจได้ดีขึ้นเจ้าค่ะรู้สึกว่าโกรธน้อยลงแล้วก็บางครั้งจะรู้สึกว่ามีเหมือนกับเห็นมีใครบางคนเนี่ยมองกายนี้อยู่ดีนะมีคนหนึ่งเป็นคนดูจิตขนานี้มีโมหะดูออกไหมค่ะไม่ชัดรู้สึกไหมมั่วดูออกไหมเจ้าค่ะทำยังไงดีก็ตามรู้ต่อไปมั่วตอบถูกเป๊ะเลย เราจะหลอกซะหน่อยไม่ได้ผลรู้สึกไปนะใจยังยังไม้เป็นกลางยังกดมันอยู่เจ้ค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมตรเริเราหายใจเข้าลึกๆอะคะ่ะเราจะรู้สึกได้ได้ดีขึ้นนะคะอันนั้ น, ม, น, นมันเป็นการเปลี่ยนภาษะกระตุ้นมีภาษาใหม่ๆขึ้นมาภาษาที่แรงๆขึ้นมานันมันกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นได้เวลาโมหะครอบอะเราก็หายใจแรงๆแต่หายใจสักทีสองทีน ะ, ะไม่ใช่แรงตลอดเวลาเดี๋ยวช็อกไป รหรือเราขยับร่างกายก็ได้กระดุกกระดิกไว้โมหะมันจะได้คลายออกหน่อยแต่ถ้าจะไปเดินจงกรมเนี่ยโยนมู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะเพ่งจะกลับมาเพ่งตลอดยังยังไม่ต้องเดินก็นได้นะถ้าเดินเราเพ่งพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจําวันให้มากมากแต่สุดท้ายก็หนีการเดินไม่ได้หรอกเพราะเรายังมีขาอยู่ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกว่าเดินจงกรมทั้งสิ้นแหละ แล้วก็การที่เราภาวนาด้วยอารมณ์ที่เคลื่อนไหวเนี่ยดีกว่าอารมณ์ที่หยุดนิ่งเพราะะนั้นอย่างเดินนี่นะจิตใจมันจะเคลื่อนไหวได้ง่ายถ้านั่งแล้วพวกที่ติดสมถะถ้านั่งแล้วจะซึม ง, ง่ายะระหว่างเดินแล้วฟุ้งซ่านนะแต่นั่งแล้วซึมเนี่ยไปเดินดีกว่าขอบครับค่ะเอาต่อไปตื่นเต้นไหมคนนี้ตื่นเต้นมากค่ะออตอนน้ำสการนะหลวงพ่อ อย่าหยุดหัวใจไปนะหัวใจเต้นไหมเต้นมากค่ะแล้วไงก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าบางทีรู้สึกตัวเนี่ยไม่ทราบว่ารู้สึกติดนิ่งนิ่งไปหรือเปล่าคะนิ่งไปนิดหน่อยนะมันสว่างว่างๆโล่งๆมักไปค่ะแต่ถ้าอย่างนี้นี่จะให้รู้ทันนะถ้าใจไปชอบมันให้รู้ว่าชอบเวลาที่จิตไปสร้างสภาวะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยตัวสภาวะนั้นไม่ใช่ตัวปัญหา ปัญหาอยู่ตรงที่เราไปหลงชอบมันแล้วเราไม่รู้ทันค่ะงั้นอย่างเราภาวนาแล้วใจโลง่งใจว่างขึ้นมาเนี่ยใจโลง่งใจว่างไม่เป็นไรค่ะแต่ใจโลง่งใจว่างแล้วเราไปชอบมันแล้วเราไม่รู้ว่าชอบตัวนี้ถึงจะเรียกว่าติดถ้าถ้ามันชอบอยู่เรารู้ทันนะก็ไม่เรียกว่าติดหรอกค่ะแล้อย่างงี้นี่ของหนูนี่ข อ, อการบ้านหน่อยค่ะพยายามรู้สึกกระดุกกระดิกนะรู้สึกกายให้เยอะๆหนอยนั่งสมาธิได้ไหมคะนั่งเดี๋ยวซึมสิ กระดุกระดิกไว้คค่ะรับพยอยากรู้รู้สึกร่างกายให้ชัดๆนะให้ใจมันเคลื่อนออกจากความนิ่งความว่างซะจิตมันติดอยู่ในความนิ่งความว่างตอนเนี้ยค่ะรู้สึกไหมรู้สึกโล่งว่างหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะนี่งเนี่ยไปอยู่ตรงนี้นะไปอยู่ได้ทั้งวันเลยตรงนี้จะไม่เดินปัญญาต่อใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกหลอกถ้าต่อไปขอบพระคุณค่ะ ทำนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวสงสัยอย่างหนึง่งเอ๊ะทำไมมีแต่ผู้หญิงฮะมีใบแอดหรือเปล่าในการเลือกอถามไปก็ดูกิเลสอยู่อะค่ะตัวที่เกิดบ่อยคือตัวอิจฉาคนอื่นแล้วก็หมันไส้คนอื่นแม้ดีนะดีแล้วมันก็จะพวกเปรียบเทียบว่าอยากดีอยาก เด่นกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะจะจะเห็นเด่นใช่อันนี้เป็นใจเราคิดหรือว่าเราพูดออกมามันใจเราคิดอะค่ะใจเราคิดไม่เป็นไรให้เรารู้ทันใจของเราไว้ค<า>่ะไม่ดีก็ได้นะะ<า>ใจเราเป็นนางอิจฉาสมมติใจเราเป็นนางอิจฉาเรารู้ดูไปเรื่อยๆนะอิจฉาแล้วก็ใจเป็นนางอิจฉานั่นก็เป็นโทสะพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งใจเป็นนางเอกค่ะผู้หญิงเป็นเยอะนะสวมวิญยานนางเอกชอบคิดอะไรเศร้าๆแล้วแสบๆอยู่ข้างใน่งเงี้ยชอบชอบนะ อันนั้นก็โทรสะเหมือนกันนะโทรสะอีกพวกหนึ่งไม่ดีทั้งคู่แหละให้เรารู้ทันนะหนูก็ตามดูตามรู้อย่างนี้แต่อย่าไปว่ามันนะานางอิจฉาคนนี้ไม่ชอบให้ใครว่าค<า>่ะให้คอยรู้ทันดูเขาอิจฉาไปเรื่อยๆค<า>่ะ แ, แล้วเดี๋ยวเ้าดีเองแหละค<า>่ะเพราะนางคนนี้ไม่เที่ยงหรอกวันหนึ่งมันต้องตายแล้วอยากให้หลวงพ่อทุก ี่อบอกแล้วไงไปดูนางอิจฉาเรื่อยๆนะดูด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเขานะเขากำลังสอนธรรมะเราขอบคุณค่ะอ้าวต่อไปธรรมศสการหลวงพ่อค่ะได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณสีเดือนนะคะด้วยการดูใจแล้วก็ดูกายสลับกันไปมาไม่ทราบว่าอันนี้ได้ทอันนี้ถูกตรบจริตของโยมหรือเปล่าค่ะของของโยมต้องรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะ พยายามร่างกายกระดุกกระดิกกระดุกกดิกคยรู้สึกถ้าถ้าดูใจอย่างเดียวเดี๋ยวจะนิ่งเกินไปของโยมยังยังชำนาญที่จะเพ่งให้นิ่งรู้สึกไหมเราชอบเพ่งชอบเพ่งแลวชอบอ่านค่ ะ, ะชอบอ่านใจก็ฟุ้งซ่านนะชอบเพ่งไว้ก็ไปบังคับให้นิ่งอ่านได้นะอ่านแล้วอ่านหรือเปล่า อา่อานอะไรอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะอ่านไปแล้วใจรู้สึกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะค่ะอ่านแล้วสนุกรู้ว่าสนุกสนุกกับสุขก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่านแล้วเครียดรู้ว่าเครียดอ่านแล้วงงรู้ว่างงอ่านแล้วรู้ทันใจตัวเองเรื่อยๆดีกว่านิ่งเพ่งๆงไหมขอบพระคุณค่ะอ่คนต่อไปน้มัศการหลวงพ่อค่ะหนู เป็นทั้งนางเอกทั้งนางอิจฉาเลยอ่ะ <c oughs> แล้วดีดีจริงๆทุกคนก็เป็นนะเป็นทั้งนางเอกนางอิจฉาหนูรู้สึกว่าจิตหนูมันฟุ้งซ่านมากใช่ไหมคะอย่าไปเกลียดมันหนูไม่ชอบความฟุง้งซ่านใจไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านดูออกไหมให้รู้รู้สึกว่าไม่เป็นกลางนั <c oughs> <ไ>่นแหละให้รู้ทัตนตรงที่ <weniger S 1> ไม่เป็นกลางเรารู้สึกว่าไม่มีกําลังในการดูด้วยใช่ไหมคะให้รู้ว่าไม่มีกําลังแล้วจะหายไหมคะหายไม่หายเรื่องของเขา <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเรานะเรามีหน้าที่รู้ไปเรื่อยแต่ถ้าอยากให้มีแรงมากๆเราต้องปฏิบัติในรูปแบบนะเช่น<ช>เราถึงเวลาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี้ยสงบก็ทําไม่สงบก็ทาทําไปทุกวันทุกวันนะใจมันมีแรงขึ้นมาคเคยลองนั่งสมาธิอะค่ะแล้รู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านมากแล้วมันนั่งไม่ได้อะค่ะนั่งได้สิ น, นั่งลืมตาอย่างเงี้ยแล้วเห็นใจฟุ้งซ่านไป เราไม่ต้องไม่ต้องนั่งใจให้นิ่งนั่งดูใจไปเลยนะของคุณจะไปทำให้มันจิตนิ่งมันไม่ยอมนิ่งเพราะฉะนั้นจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุงา้งซ่านนะต่อไปมีไหมหมดหรือยังนมัศการท่านอาจารย์ครับผมขอท่านภัยด้วยครับตอนที่ท่านสอนว่าให้ดูจิตให้ดูกายเวลาขับรถเลยนะ ผมเวลาขับรถผมต้องผมต้องใจสมาธิมากกลัวจะเผลอไปชนใครเข้า<อ>ถ้าคนทาน<ส>่านบ้าคงจะเกิดอันตารายอย่ายาน้อมเข้าหาความสงบนะเวลาขับรถนะ่ะตาหูอะไรได้ต้องว่องไวไว้อย่าน้อทมทําสมถะตอนนั้นถ้าทําตอนนั้นเดี๋ยวรถชนเอานะจิตมันรวมอ่ะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้ามาก็ช่วยไม่ได้เราจะนินทานะ หลายปีก่อนหัดอยู่กับหลวงพ่อที่เมืองการหัดดูจิตนะแล้วดูดูจิตยังไม่เป็นช่วงนอนเดี๋ยวนี้เป็นล้ตอนนั้นไปเพ่งจิตครับพอขึ้นรถนะก็นั่งจ้องอยู่ที่จิตตัวเองเนี่ยเพ่งอยู่อย่างเงี้ยเห็นไฟแดงนะนึกไม่ออกว่าจะต้องเหยียบเบรกแคนะ่ชนทีเดียวห้าคันเลยที่จอดอยู่ข้างหน้าตั้งแต่นั้นพ่อเลยไม่ยอมให้ขับรถเลยเพราะฉั้นเวลาที่เราขับรถนะเราต้องรู้รู้ว่าเราจะทําหน้าที่ขับรถอย่าพิดทำสมาธินะ อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจของตัวเองรู้สึกไปแตขับรถไปธรรมดานี่แหละพอใครเข้าป่าดหน้าเราโมโหรั่วโมโหนะไปวิ่งไปวิ่งไปเจอไฟแดงใช่ไหมเจอไฟแดงเราติดไฟแดงคันที่หนึ่งรู้สึกไหมจะโมโหกว่าติดไฟแดงคันที่สิบรู้สึกไหมแต่ถ้าติดคันที่หนึ่งร้อยไฟเขียวแล้วเราก็ยังไม่สบายใจรู้สึกว่ามันคงไม่พ้นแต่พอถึงคันที่หนะ้าสิบนั้นมีโอกาสลุ้นว่าจะพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยยิ่งทุรนทุรายมากกว่าติดคันที่ร้อยนะ เนี่ยหัดดูอย่างนี้อยู่ในถนนหน้าฝึกไปอย่างนี้แหละหัดรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆหมดแล้วหรือโอ้ดีจัง <c oughs> เนี่ยหลวงพ่อสรุปก่อนอนที่แอสตันแกนจะสรุป <c oughs> มรรคผลนิพพานมีจริงๆนะหนทางปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานก็มีจริงๆคนจริงก็ได้ของจริงนะต้องดูเอาขยันดูช่วยตัวเองเรารักตัวเองมากที่สุด แต่เราละเลยตัวเองมากที่สุดเราชอบสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองงั้นต่อไปนี้าหันมารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆวันหนึ่งเราจะได้ของดีของวิเศษพวกเรามีบุญมีวาสนาทุกคนนะที่ได้เกิดในแผ่นดินอย่างนี้แผ่นดินที่พระศาสนายังดํารงอยู่นะแผ่นดินที่เอื้ออํานวยให้ปฏิบัติมากเลยงั้นเราทุกคนมีบุญอยู่แล้วนะหน้าที่ของเราก็คือตอบบุญของเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นด้วยการเจริญสติรู้กายรู้ใจไปนะ ฝึกของเราทุกวันทุกวันวันหนึ่งเราจะโอ้โหรักพระพุทธเจ้าแบบมอบกายถวายชีวิตให้เลยท่านนะวิเศษที่สุดนะท่านสอนสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดให้พวกเราเราเดําเนินตามหลังท่านมานะเราพ้นทุกได้จริงๆรินี่อัศจรรย์มากเลยอ่ะเท่านี้พอนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ต้องไปทุละต่ออีกทิ่งเนื่องจากวันนี้มีบางท่านนําทานแล้วก็ปัจจัยมาถวายนะครับผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้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 อิจิตังปฏิตังทุมหังขิปะเมวาสมิชศตุสัพเพปูเรนตูสังกป่าจันโทฟันนารโสยัทามณีโชติระโสยัทาสพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาฒนาศีลิสนิจยยนจังอุททาปจายโนจัตตาโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังภะลัง